เรื่องความเจ็บไข้ไดป่วยเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบังคับควบคุมได้นี่คือสภาพธรรมนี่คือความจริงถ้าเราทําใจไม่ได้เราก็เป็นทุกข์ถ้าเราทําใจได้อันนั้นก็จะกายเป็นธรรมพระพุทธเจ้าเขาต้องเจ็บป่วยเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าเวลาท่านเจ็บป่วยเนี่ยท่านจะเอาความเจ็บป่วยนี่แหละเป็นธรรมะเลยดูก่อนพิสุทั้งหลาย คำว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยหมายถึงผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร พ, พูดกับโยมเวลาขึ้นตอ น, นดูก่อนภิกษุทั้งหลายพูดกับพระก็ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพูดกับเทวดาก็ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพูดกับพวกลูศีในสมัยนั้นก็ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารถึงร่างกายเราจะป่วยจะใข้แต่จิตของเราไม่ได้ป่วยไม่ได้ใครด้ ถึร่างกายเราจะ อ, อ่ออดแท้แต่จิตเราไม่ได้ออดออดแท้ด้วยพระพุทธเจ้าเข้าใจเรื่องร่างกายเรื่องจิตใจทีนีเราก็เห็นใจนะเวลามีญาติเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะคนใกล้ชิดมันก็กระเทือนเข้ามาถึงจิตใจพี่ชายเพระาะว่าตมาเนี่ยเพิ่งเสียเลยร็วๆนี้ยตอนป่วยอยู่นั่นไปเยี่ยมที่บ้านนนป่วยอยู่เราบอกเลยทุกคน ต้องยอมรับความจริงใเพราะถึงจะเศร้าโศกเสียใจไปอาการป่วยก็ไม่ดีขึ้นตรงกันข้ามมันทำให้ผู้ป่วยเนี่ยรับกระแสะความเศร้าโศกรับกระแสะความไม่สบายใจเราเองก็จิตใจอ่อนแอมันบั่นทอนทจิตใจเพราะฉะนั้นไม่ให้เศร้าโศกเสียใจให้สู้ความเจ็บป่วยเนี่ย เรื่การดูแลรักษาก็ดูแลรักษาไปตามความเหมาะสมตามคําแนะนําของหมออยู่ยาก็ให้เป็นเรื่องของหมอเวลาไปเยี่ยทุกครั้งเนี่ยส่วนคนป่วยนี่เราก็พูดให้รู้ว่าเขามีคุณงามความดีกรรมดีที่ทํามาในชาติเนี่ยมีเพราะฉะนั้นเน้นย้ําเพื่อให้เขาระลึกถึงความดีภายในจิตของเขาแล้วก็สอนให้เข้าใจว่าเรื่องร่างกายเนี่ยเป็นเรื่องของหมอให้หมอรักษาไปให้แยก ระหว่างร่างกายกับจิตใจเอาความเจ็บป่วยเนี่ยเป็นหินรับสติปัญญาเนี่ยเราพูดแล้วก็พูดจริงจังเทีแรกก็อาโยมพี่สะพ้าก็ยังทําใจไม่ได้โอ้ยก็ไม่รู้จะอยู่กับใครถ้าตายไปแล้วเราก็บอกว่ามันต้องอยู่ได้เพราะเขายังไม่ตายเรากังวลไปล่วงหน้าไม่ได้ถึงเวลาความจริงก็ต้องเป็นความจริง พูดตรงไปตรงมาไม่ ม, มีอ้อมค้อมไม่มีว่าเออจะหายจะดีขึ้นพูดความจริงเปิดเผยตายก็คือตายเแล้วเราเองก็เราบอกว่าเราก็ต้องตายเหมือนกันที่พูดนี่คือตัวเองก็ต้องตายเหมือนกันลูกเต่าก็ตายญาติพี่น้องก็ตายพ่อแม่เราก็ตายไปหมดแล้วบอกอย่างนี้เลยแล้วจะให้ความตายมันมาบัาน่นทอนอะไรความเจ็บไข้แดะป่ ว, วยมาบั่นทอนจิตใจอะไร ให้เราเข้าใจว่าถึงว่าเราเศร้าโศกเสียใจทุกข์ใจยังไงไอการเจ็บป่วยนั้นก็เท่าเดิมเนีให้เราพยายามที่จะเอาธรรมะเนี่ยมาสอนจิตใจเราทํำยังไงใจเราเนี่ยถึงจะดีขึ้นมาการที่มาวัดเอออันนี้ดีแล้วแสดงว่าเรามีบุญเพราะว่ามีความรู้สึกไม่สบายใจมีความทุกข์ใจเร า, าเข้าวัดมาฟังธรรมมาฟื้นธรรมะของพระพุทธเจ้า อันนี้แสดงถึงคนมีบุญมีบารมีแล้วก็มีสติปัญญาด้วยเวลามันมีทุกข์กับถ้าหากว่าเราทำใจได้เราจะเห็นธรรมถ้าเราทำใจได้เราจะเห็นธรรมถ้าเราทำใจยังไม่ได้ก็แสดงว่ากำเนืองธรรมะของเรายังไม่พอมันยังพลิกสถานการณ์พลิกวิจิ เป็นโอกาสไม่ได้ไม่สามารถพลิกยุกิจให้เป็นธรรมะได้นี่คือกำลังใจพวกเราปัญญาเราเข้าไปถึงถ้าปัญญาเราถึงทุกอย่างต้องเป็นธรรมะหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจริงเน้นที่จิตใจทุกคนเวลามีปัญหามีอะไรขึ้นมาซึ่งเข้าไปหาใจเลยมันก็พิสูจน์ว่าธรรมะเนี่ย มันอยู่ในใจมากร้อยแค่ไหนะถ้าหากว่ามันเข้าถึงจิตใจจิตใ จ, จมันสูงขึ้นมาเท่าไหร่มันก็ต้องปล่อยวางในมากเท่านั้นมันก็พึ่งทำมากเท่านั้นยิ่งมีปัญหามากยังกุ้มลุงอยู่มันยังวางไม่ลงแต่ว่าเกิดแล้วต้องดับเพราะมันเป็นแค่สังขารเป็นแค่ความรู้สึกเป็นแค่ความนึกคิดแต่ก่อนมันไม่มี พอมีเหตุการณ์ขึ้นมามันกระทบใจเราเพราะอำนาจความที่เราไปยึดเราอยากให้เขาหายไม่อยากให้เขาเจ็บเขาป่วยไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้นี่คือความรู้สึกภายในจิตเราเองเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นแต่ธรรมชาติกฎแห่งธรรมชาติกฎแห่งวัฏสูงสารกฎแห่งกรรมมันหลีกเรี่ยงไม่ได้เมื่อถึงเวลาเป็นมันต้องเป็น ถ้าใครทําใจได้ก็เป็นธรรมขึ้นมาโอ้นี่คือธรรมะถึงเวลาเป็นก็ต้องเป็นเวลาแฟนเราหรือพ่อเราเป็นเราทุกข์โศกเสียใจแต่เวลาคนตายที่ญี่ปุ่นซินามิคนตายมากมายเราเฉยเฉยว่าโอ้กรรมของเขากรรมของเขาให้ผลแล้วเราทําใจได้แต่เวลามันเกิดกับคนใกล้ชิดเราด้วยอํานาจที่เราไปยึดไปติดไปค้อง ไม่อยากให้เป็นไม่อยากให้พัดพลากไม่อยากให้เจ็บไข้เรื่อยปวอยากให้อยู่กับเราตลอดไม่อยากให้เป็นอะไรเลยนี่คือความอยากของเราเหตุแห่งทุกข์คือสมุทยัยอยู่ที่ใจเราเราอยากให้มันเป็นอย่างหนึ่งแต่ความจริงมันเป็นอย่างหนึ่งเพราะนั่นมันคือธรรมะนั่นคือธรรมชาตินั่นเลยคือกรรมะ มันม้วเวียนไปตามกรรมมันให้ผลถ้าเราทำใจได้โอ้เราจะมีธรรมนะทีนี้อ๋ออย่างนี้เองนะเนี่ยที่มันบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตาอทุกข์ขังเนี่ยทนอยู่ไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปจมัจจัยเข้ามามันมีการเปลี่ยนแปลงเขมามอย่างนี้แหละเนี่ยกฎแห่งวัตฏะสงสารชัดเจน ถ้าตาได้ที่เรายังเงียนว่าใจเกิดอยู่อย่างนี้เราไปรักอะไรไปยึดไปติดไปค้องอะไรสิ่งนั้นจะทำให้เราเป็นทุกข์ได้ทันทีมันไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นมาทำนะเป็นเพราะจิตเราที่ไปยึดสิ่งนั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นเราอยากให้มันเป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นเราอยากให้มันเป็นอย่างหนึ่งเราอยากให้เป็นอย่างนั้นหแม้แต่ลูกเราเราก็อยากให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ อยาเป็นคนดีอยาก็ เ, าเรียนเก่งอยากใ้เขาเมีอนาคตอยากใ้แฟนรอรอรวยรวยมีสภาพที่ดีกลัวเขาไม่ดีกลัวเขาประสบปัญหากลัวเขามีทุกเนี่ยมันพร้อมนะที่จะเป็นทุกถ้าเราวางใจไม่ถูกถ้าเราวางใจถูกเออเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนี่ยตอนนี้โอ้เหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นแล้วมันถึงเวลาแนละ้วความเจ็บไข้ในป่วยเนะี่ยมันห้ามไม่ได้ มันบังคับพัญชาไม่ได้นี่คือความจริงนี่คือสัจธรรมพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าจิตของเราก็จะต้องวางได้แล้วไม่ใช่เฉพาะเราเท่านั้นที่มีทุกแบบนี้มากมายกายกองไม่ใช่มีเราคนเดียวไม่ใช่ครอบครัวของเราเท่านั้นถ้าไปโรงพยาบาลเต็มโรงพยาบาลเลยแทบจะไม่มีที่อยู่ทุกโรงพยาบาล แล้วไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเราทั่วโลกแล้วไม่ใช่เฉพาะคนสัตว์ก็เป็นเจ็บป่วยเหมือนกันถึงเวลาก็เราพัฒนาจากไปนี่คือความจริงเราต้องพยายามทำจิตเราให้ยอมรับความจริงไงนะถ้าไม่ยอมรับความจริงเนี่เราก็ต้องไปทดูเคยไปอบรมที่ยําได้ว่าเป็นสุขุมิทเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งแล้วเขาก็ไปให้เราช่วยอบรม อบรมพอวันสุดท้ายก็มีกลุ่มหนึ่งมาเขามาหลังจากที่เลิกแล้วก็มีความทุกข์มากใจเศร้าหมองแต่ดูภายนอกฐานะคงร่ำรวยมีเงินแต่ว่าทุกเพราะโรคภายไข้เจ็บมันเบียดเบียนเขาก็ทุกข์ใจเราก็ถามไปตรงๆว่า เออทุกอย่างเนี้ยทุกใจแล้วไอ้โรคมันดีขึ้นไหมเขาบอกว่าดีขึ้นทุกใจก็คืออยากให้มันหายไม่อยากให้มันเป็นกลัวตายอยากหายอยากันเป็นมากกว่านี้กลัวพัดลาดมันตามมาเยอะแยะเลยทุกโรค ก, ก็ยังเท่าเดิมถ้าไม่ทุกได้เนี่ยจะดีกว่าไหมแต่มันก็ยังทําใจไม่ได้พอเลย อธิบายให้ฟังว่าเออความเจ็บป่วยเนี่ยนะเปไปเรื่องของหมอนะให้ทาใจวาหายก็เอาไม่หายก็เอานะเพราะเราบังคับบัญชามันไม่ได้เราไปอยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการมันไม่ได้นอกจากว่าเราทําใจให้ยอมรับความจริง ไ, ได้ถ้ามันยังยอมรับไม่ได้ต้องดูมันดูอาการเข้ามาว่านี่แหละ มันเป็นทุกข์เพราะความระยึดเพราะอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือมันไม่ยอมรับความจริงนั่นเองถ้ายอมรับความจริงได้เมื่อไหร่ใจเรามันจะคลายคลายไปคลายไปแล้วมันจะปล่อยวางได้ใจเราก็สบายแล้วจิตเราเนี่จะมีธรรมะขึ้นมาทันทีเลยพออธิบายเสร็จเรียบร้อยก็ย้ำกับเขาว่าเออโรคภัยไข้เป็นเรื่องงหมอก็แล้วกัน หายก็เอาไม่หายก็เอาเพราะว่าเราวางแล้วแต่จิตใจเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของเราต้องพึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เอาธรรมะมาเป็นที่พึ่งก็คือให้เข้าใจแยกให้ได้ว่าเออร่างกายกับจิตใจมันเป็นคนส่วนกันทีนี้ถ้ามีคนป่วยอย่างนี้เราควรเกี่ยวข้องยังไงอันนั้นเป็นส่วนของเรา ส่วนเรื่องของหมอก็ให้เป็นเรื่องของหมอไปถ้าเราแยกได้เราก็ทำใจได้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลถ้าหากว่ามันยังไม่ถึงเวลาของเขาเขาก็ฟื้นขึ้นมาได้แต่ถ้ามันถึงเวลาของเขาใครก็ช่วยไม่ได้มันเป็นไปตามมีตามปัจจัยจริงๆทีนี้ก็คูสาธิบายให้ฟังเรียบร้อยแนละ้วก่อนพานั่งสมาธิ ขะที่นั่งสมาธิก็อธิบายให้ฟัง ว, นะว่าไอ้ความรู้สึกของเราเนี่ยที่มันอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันห้ามไม่ได้นอกจากเรามีสติเข้าไปรู้ตั้งสติขึ้นมารู้เลยลน่ะก็เหตุผลมันมีอย่างนี้นี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้มีสัจธรรมมันเป็นอย่างนี้มันฝืนสัจธรรมไม่ได้เลยนะอย่ะทีนี้ในเมื่อติดของเราอ่ะมันยังไหลไปอยู่ ความหนาและความเพลิน่ะจากการยึดมั่นถึงมั่นของจิตเราจิตเราเนี่ยเปหลงยึดเนี่ยพอมันยึดแล้วมันก็ไหลไปเพลินไปคือมันไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันเดียวกันทีนี้เราก็ต้องตั้งสติให้รู้ทันพยายามหรือพยายามอยู่ตรงนี้ตั้งสติไว้เพราะสติละอ่อนถ้าหากว่าหยุดมันได้มันไม่ไหลไป มันไม่เพินไปมันก็คลายลงมันก็จะกลับเข้ามากลับเข้ามาเป็นเป็นอิสระจากสิ่งที่มันไปยึดไปติดไปข้อเพราะถ้าว่าจิตของเราเนี่ยมันเริ่มมีสติขึ้นมามันเริ่มเห็นนะเห็นอาการที่จิตของเราไหลไปเพลินไปเนี่ยมันจะเบาลงกันดีเลยนะถ้ายังไม่เห็นก็ต้องอดทนดีมันทำยังไงได้ก็มันเป็นแล้วอะ ก็กำลังจิดเราเนี่ยมันก็ยังไม่พอฟังธรรมะของเจ้าแล้วความจริงก็รู้แล้วโอ้มันยังทำใจไม่ได้ก็ต้องพยายามเจริญสติทำอะไรอยู่พยายามมีสติตอนนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรละถ้ามันจะคิดก็ให้รู้ว่าคิดไปเลยเนี่ยให้เป็นเรื่องของหมอคาตอบนี่เอาอย่างนี้เลยถ้ามันจะคิดถึงอนาคตเออมันก็ยังไม่แน่นอน เราคิดไปมันก็ยังไม่ถึงมันเหตการณ์มันยังไม่เกิดคิดไปก็เสียเวลาเปล่ามันอาจจะเป็นอย่างหนึ่งก็ได้มันไม่ตรงกันกับความรู้สึกนึกคิดของเราเราก็ควบคุมความคิดไว้เพราะไม่งั้นมันก็เสียเวลาเปล่าเหมือนปล่อยจิตเราเพลินไป ไ, ลไหลไปคิดนึกปรุงแต่งไปมันไม่มีที่สิ้นสุดใ้ความคิดของเราเนี่ยเราก็ต้องยับยั้งไว้ก่อนเพราะเรามีเหตุผลเพียงพอยคิดไปมันอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ อย่างน้อยเราก็ทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนคือให้มีสติรู้จิตของเรารู้อาการของจิตเรารู้เท่าทันจิตของเราให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับตัวเราเราก็ได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ้นเรียกว่าพึ้นธรรมพระพุทธเจ้ายืานยันเธอจงมีตนเป็นประที่ เธอจงมีตนเป็นสารณะเธออยามีอย่างอื่นเป็นสารณะเลยเธอจงมีธรรมเป็นปัจจเธอจงมีธรรมเป็นสารณะเธออยามีอย่างอื่นเป็นสารณะเลยถ้าหากว่าเธอมีธรรมเป็นที่พึ่งเธอก็สามารถทำที่สุดแห่คุณได้มีธรรมเป็นที่พึ่งคืออย่างไรก็คือเนี่ยแหละแค่จิตของเราเนี่ยอยู่กับตัวเรา เห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเกิดแล้วก็ดับไปมันเป็นธรรมชาติตัวเราเกิดขึ้นกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีและความยินดียินไลในโลกไม่เสียไดถ้าทาใจได้แปลว่านี่แหละต่อไปก็จะมีธรรมเป็นที่ขึ้นไม่ใช่เรื่องราวแบบนี้มันจะเกิดกับเราคนเดียวไม่ใช่เกิดกับครอบครัวเราเท่านั้น มันเกิดทั่วโลกถึงเวลาเมื่อเหตุปัจจัยมันเป็นไปมันก็ต้องเป็นให้มันเป็นอย่างไม่ได้มันต้องเป็นอย่างที่มันเป็นนี่แหละคือธรรมะโยมพี่ชายล้วก็กมาก็เป็นเราไปเยี่ยมทีไรเราก็พูดถึงขังเพราะอะไรไม่อยากให้คนที่ดูแลอ่อนแอคนป่วยเราก็ไม่ห่วงพอพูดแล้วเขาเข้าใจเขารอแล้ว ทำใจได้ยอมรับความจริงได้เจ้าประโยชน์จากวาระสุดท้ายของเขาความดีเขาธรรำ ม, มาบุญกุศลรร ม, มาออกพิชปฏิบัติธรรมก็ทํามากอสมควรถึงวาระสุดท้ายก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ฟังแล้วเข้าใจวางใจได้บางทีมันก็ต้องมีบ้างจิตของคนเราเพราะมันไม่ใช่จิตของพ่อหลานมันก็ยัมีความยึดมั่นถือมั่น เผอแวไปถึงรูปบ้างอะไรบ้างก็กังวลขึ้นมาถิญก็ต้องพยายามรู้ทันมันอีกรู้ทันใ้ความกังวลมันก็ดับไปบางทีถ้ากำลังสติปรรัญญาเราอ่อนมันก็นานกว่าที่มันจะดับไปถ้าสติปัญญาของเรามีกำลังก็เห็นปั๊ก็ดับไปบางทีแค่จิตของเราเคลื่อนไหวก็รู้ทันมันก็ดับไปมันก็ไม่ขอเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราแทนว่ามันเกิดใหม่ๆน้ำหนัก ของอารมณ์พวกนี้มันมีกํำลังมันมีความรุนแรงมันต้องมีแรงดึงูดให้จิตของเราไหลไปไม่น่าเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้มันก็วนเวียนอยู่กับไอ้เรื่องเดิมๆทีนี้เราคิดไปยังไงก็ใช่มันต้องเต็มพอดเต็มแล้วเราก็ไม่ให้มันไหลไปเพลินไปมันจะคิดแง่ไหนมุมไหนก็ใช่เออแต่จะคิดมาในเรื่องว่เออเป็นยังไงนั้นเอาแล้วแต่หมอเราขึ้นทําของพระเจ้า หรือมาปฏิบัติแล้วทิ้บุญไปมันก็ยังได้ประโยชน์มากกว่าเพราะคิดไปแบบนั้นมันทำอะไรไม่ได้นะมันก็ต้องยกเหตุผลมาเพื่อให้จิตของเรามีกำลังเพื่อให้กลับมาพื้นธรรมะพื้นความจริงพอไปเยื่ยงทีไรก็สุดท้ายนคนที่ดูแล ก, ก็มีกำลังใจยพยายามต่อสู้เอาวิกฤิตอันนะั้นไปโอกาสเลย ความจริงที่มันกาลังเกิดขึ้นเอามาเป็นเครื่องทดสอบทำให้จิตใจมีกำลังให้จิตใจมีธรรมะทีนี้คนที่ดูแลก็มีกำลังใจขึ้นมาแต่ก่อนเป็นคน อ, อ่อนแอที่กังวลเป็นทุกข์ใไงเงี้ยแต่พอพึ่งธรรมะจิตใจก็เส้นแข็งก็พรอม ที่จะพึ่งทำพร้อมที่จะปรับจิตปรับใจให้ยอมรับความจริงได้ต่อมาก็ป่วยมากขึ้นช่วงหนึ่งก็ไม่ได้อยู่ไปต่างประเทศมึกลับมาแล้วก็ได้ข่าวว่าป่วยหนักแล้วให้ยขงที่เย็นแล้วเราก็พูดกับตัวเองว่าเออเราจะเอาขึ้นไปอยู่วะ หายวิญญแล้วทานาไม่ได้แล้วคนเรามันก็ต้องตายสุดท้ายต้องตายให้ตายที่วัดเพื่ออะไรเพื่อให้จิตเขามีกำลังมาอยู่กับวัดมาอยู่กับพระมาอยู่ครูบาอาจารย์มาอยู่กับผู้ปฏิบัติธรรมแล้วบรรยากาศมันก็เป็นธรรมเลยเป็นบุญเป็นกุศลนะรักษาจิตเขาส่วนร่างกายไม่ห่วงแล้วเพราะยังไงต้องตายเนะ่ยพอมาถึงวันนั้น ก็บอกเลยบอกเอาจะขึ้นวัดนะเขาก็ตกลงดีใจเลยจะได้ขึ้นวัดพยามว่าวัดนี้ก็ช่วยกันสร้างขึ้นมานะี่มีส่วนในการดูแลชังรัดก็เห็นว่าโอนี่กรรมดีที่คนเราทําเนี่ยมันเป็นที่พึ่งได้จริงตราบใดที่เรายังไม่สามารถหลุดพ้นไปจากวตารสังสารเนี่ยทําดีได้ดีกรรมดีที่มันมีผลต่อจิตมีผลต่อสภาวะความเป็นอยู่ของตัวเองทําให้กายทําให้จิตเนี่ย มันสดชื่นทำให้มันเบิกบานทําให้มันมีผลต่อวิบาสของาธาตุขันเนมันเป็นจริงมันเป็นจริงตามสมมุติระดับหนึ่งเขาก็ออยังสอนมาให้ทําความดีกันไป่จิงไม่ดีอย่าไปทำเลยเส้าหมอมันบีดขั น, นมันเป็นทุกข์ก็เอาเตรียมพร้อมก็แล้วกันเราก็ย้ําเลยเนีย่ยบอกว่าแต่ขึ้นไปแล้วเนี่ย เราจะเผาเหมือนกับลูกภูมันเผาไปคือตายเมื่อไหร่พร้อมก็จะเผาตายเช้าออเผาไายสายพูดกันแบบนี้เลยถ้าตายกลคืนก็เออุ่งเช้ามาหาภูนิเสร็จเรียบร้อยพร้อมก็จะเผาไม่มีพิธีดีตออะไเขาพอใจที่พูดนี้คือกำไว้ไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาเปลี่ยนแปลงเราอยากจะทําเหมือนกับคนที่มีปัญญาทํากันไม่ต้องไปลุ่โหนงไม่ซากศพ ของที่ทิ้งเอาไว้นั้นมันเปื่อยมันเน่าเป็นฟุ้มันทังมันเน่ามันหมึนเผาเรื่องก็เป็นเท่าเป็นทานเราไม่เป็นวิถีที่ฐานตรงนั้นเราวิธีพิธานให้กิจของคนที่ยังมีชีวิตอยู่มีธรรมะเป็นที่พึ่งหัวใจมีเป็นแบบนี้เราก็ทําตามที่ธรรมะมันบอกเราเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้เนะนอกจากเราไม่อยู่เราไม่เห็นใครทําก็ทําไปก็วันลุ่งขึ้นเขากฟังขึ้นมา เย็นๆก็ไปพูดธรรมะให้ฟังระหว่างนั้นลูกหลานก็มาเฝ้าอัญญาเขาก็มาเฝ้ากองที่บุญให้เนี่ยทําบุญทํากุศลทุกวันแต่ก่อนจะทําบุญทำกุศลทุกวันมาวันนั้นกองที่บุญนั่งที่บุญกันตลอดเออก็ดีอย่างเขาก็เบิกบานเราก็พูดธรรมะให้ฟังธรรมะมันก็มีน้ําหนักทําให้จิตใจของเขาเข้มแข็งพร้อมเลย สบายสบายผูย้ทำมาเสร็จพอเดินค่อยหลังสบายใจเนี่ยผู้ออกมาเราก็ได้ยินเราก็ไม่ห่วงเนี่ตายเมื่อไหร่ก็ตายเพราะจิตใจมันเส้นแข็งจิตใจมันยอมรับความจริงเขาเข้าใจแล้ ว, าาลวกายกับจิตมันแยกกันเด็ดขาดไม่ใช่สิ่งเดียวกันแน่นอนรักษาจิตได้แล้วกายก็สัจธรรมกายมันก็ปล่อยวางร่างกายได้ระดับหนึ่ง อย่างน้อรู้เข้าใจจิตมันก็เบาลงไปเยอะกายก็เจ็บไข้ได้ป่วยเห็นอยู่มันก็ไม่ไปยึดติดเจ็บปวดขึ้นมาจิตมันก็ดูเฉยๆได้เพราะจิตมีกําลังแนละ้วกําลังสติมันก็มีสมาธิก็มีศรัทธา ม, ม, มีความเพียรไปยในจิตมีปัญญามีเนี่ยพลังของจิตมันก็เพิ่มขึ้นพอก็คืนมาสักสี่ทุ่มเขาก็ตายตายในท่าที่จับไม้จับมือ เรียบร้อยแล้วก็ไปแบบนี้ไปตรงนี้มันไม่สำคัญสำคัญว่าเขาไปไหนหรือว่าจิตมันมีธรรมคนที่ดูแลอยู่ก็มั่นใจว่าเขาต้องไปดีแ น, น, น่ๆแล้วบรรยากาศมันก็นสบาย ส, บาย ส, บายสงบเยือกเย็นไม่มีการร้องไห้ลำพึงลำไันบรรยากาศไม่มีโศกเศร้ามีแต่แยินแยนเี่ยนใจพอใจ ว่าเขาก็ได้ดูแลพ่อหรืดูแลสามีอย่างดีแล้วก็เชื่อมั่นในบุญกุศลของผู้ตายแล้วก็เชื่อมั่นในกําลังจิตของผู้ตายทําใจได้เนี่ยไม่ห่วงคนที่ดูแลก็เข้าใจว่าจิตมันตายไม่เป็นจิตมันไปเกิดเราไปคิดแต่ว่าเออเขาตายเขาตายเนี่ยมันเป็นหลงสมมตินี่จิตมันไม่ได้ตายเปลี่ยนร่างเฉย เมือเสื้อผ้าเรามันเก่าก็ทิ้งไปหาตัวใหม่มาใส่ร่างกายมันเก่าค้าค่ามันทนอยู่ไม่ได้แล้วจิตก็ต้องไปหาล่างไปอาศัยล่างไหนก็ขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปภายในจิตขอเขากุศลหรืออกุศลเราก็มีหน้าที่ช่วยเขาบุญที่บุญไปให้ทําบุญที่บุญไปเอามาก็ดีบาทําก็ดีเเราสามารถู่วัดมาทําบุญ ทานเราก็ทำศีลเราก็รักษาเนี่ยภาวนาครบวงจรครบถั่วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็สอนอย่างนี้ต้องสอนแบบเดียวกันตรงกันทานศีลภาวนาทีนี้มันก็เหมาะสมกับฐานะของเราแนละ้วทีนี้เราก็ต้องภาวนาก็เพื่อให้มีสติรักษาจิตเพื่อรู้เท่าทานันไว้จิตเราไหลไปทางไหนทีนี้เราก็ต้องทําให้ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอน ตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องสํารวมก็ต้องพยายามก่าความจริงมีหนาไอ้จิตของเราทามันไหลไปมันหลุดไปไอ้ตอนนั้นมันก็เผลอไปเออถ้าไม่รู้เท่าทานมันก็เผลอไปเผลอไปลอยไปนั่นคือมันขาดสติเราก็ต้องตั้งใหม่อีกมันเป็นได้แต่ไม่ต้องไปกังวลกับมันให้รู้ว่าอ๋อสติของเราเนี่ยมันก็เป็นอนิจจ์เหมือนกันทุกขังอนัตตาเหมือนกันมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรา บางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันเพราะนั้นบางทีมันเผลอไปเอ้ขาดสติไปตอนนั้นสติไม่เกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรเนยเพราะมันไม่อยู่ในอำนาจของเราสักอยาก่างเรามีหน้าที่ปฏิบัติเขาะจะสอนให้มีความพอใจเพียรทําเหตุให้ถูกต้องก็คือมาเจริญสติอะไรควรทําพอทำก็ทําไปทานศีลภาวนาเออเอาทําเพื่ออะไร ก่อนมันเกิดบุญกุศนเราจะได้มีบุญพอที่จะลึกถึงแล้วก็องที่บุญไปให้แล้อุที่บุญก็คือให้ญาติเขาว่า เ, เทวดารักษาเขาบอกนายเวรของเขาว่าเพราะเขายังไม่ตายก็ต้องให้ผู้ที่เขามีอิทธิพลต่อจิตของเขาต่อตัวเขาเราก็ทําอย่างดีที่สุดแล้วเต็มที่แล้วนอกนั้นก็เกินแล้วมันก็สุดวิสัยเกินกําลังของเราแล้ว จะไปให้เรามีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ไปเสกไปเป่าให้เขาฟื้นขึ้นมาให้เขาเป็นปกติเราก็ทําไม่ได้เราจะขออำํำนาจอันนั้นอันนี้ไปทําให้มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าเขาไม่สอนแบบนั้นก็ต้องมาขึ้นการปฏิบัติฝึกจิตฝึกใจของเราส่วนไหนที่มันทําได้มันคล้อยตามคําสอนของพระเจ้า เช่นทาบุญอุทิศบุญหรือรักษาศีลเป็นบุญขึ้นมาภาวนาเป็นบุญขึ้นมาอุทิศบุญไปอันนี้ทําได้นี่เมื่อทําดีที่สุดแล้วใจเรามันก็ต้องโอยอมรับความจริงว่าเราทําดีที่สุดแล้วเกินนั้นไปไม่ได้แล้วจิตของเราเนี่ยนะจิตของคนเราเนี่ยมันจะลงให้เหตุผลมันจะยอมรับในเหตุผล ถ้าเหตผลไม่เพียงพอมันจะไม่ยอมรับจนกว่ามันจะได้เหตุผลเพียงพอธรรมะของเจ้าเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลเราก็ต้องพยายามปฏิบัติธรรมดามานไม่มาจิตของเราอ่ะเออมันก็อดคิดไม่ได้จรี่ยแต่ทีนี้ถ้าหาว่าจิตของเรามันยอมรับทำได้มันต้องวางได้เพราะความจริง ก็คือความจิงมันเป็นอย่างน่้ไปไม่ได้ถ้าหาว่าคนไม่ปฏิบัติธรรมจิตมันจะวนเวียนนะวนไปเวียนมาเออไม่หนักเป็นเลยนะวไม่หนักไปตรงนั้นไม่หนักไปตรงนี้ถ้าหากว่าไม่เป็นอย่างนั้นก็จะไม่เกิดเป็นอย่างนี้อะไรต่ออะไรปุ้งแต่งกำลอดเสร็จแล้วมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้อง ยังรับความจริงเลนะสติคูกจิตไล้ลรักษาจิตไล้คลิกวิเป็นโอกาด้ล้นะอเข้ามาไม่ใช่เป็นเราคนเดียวครอบครั ว, วเราเท่านั้นมันเป็นกันทั่วโลกเพราะมันเป็นความจริงโยมพี่ชายเนมาก็เปาที่นี่เขาตายตอนคืนตอนชเช้าบอกบอกเช้าได้เออมาหาคุณกนไมนต้องไปมาก เอาคนไม่ต้องเสียเวลาใครมีการมีงานไปทําเขาบต้องแผ่กันที่นี่เขจะแผ่กันครับคนตายก็จะหยุดงานทั้งหมู่ว่าแต่ของเราเราบอกไม่จำเป็นแต่ใครอยากจะไปร่วมก็ไปนะคนที่คุ้นเคยเขาก็จะมาคนที่เขาไม่ได้สนิทสนมคุ้นเคยก็ไม่มีความจําเป็นต้องไปเสียเวลาทําการทำ ง, งานงมาคูณกันเรียบร้อยยกขึ้นไปพาการที่พูดแล้วกับเพา อยู่ที่ส บ, บายจะทำหมดไม่เอางลงเหรอแต่ในทองคืนนี้ก็เสียแล้วะลงเอามาทําไมลงมันก็ต้องเผาอยู่นะถึงออกมามันก็ต้องเผาอย่างเดเสียเงินเสียของทำมาเผาไปจริงไม่มีเหตุผลไม่ต้องทําในสิ่งที่ไม่มีเุผลแต่ความรู้สึกของคนเราพิธีพิการมากเนีะพอตายไปแลนะ้วลงก็ต้องอเฉยเฉยลงงามประดับประดามีดอกไม้ บางคนสั่งดอกไม้จะมุ่งนอกเป็นแสนเป็นล้านคนนี้ไว้อย่างนั้นน่ะเคยได้ยินที่เคยเห็นนี่เป็นแสนๆจ้างคนมาทำํำระดับประดาทุกวันพว่าทำเพื่อเพื่อคนตายเพื่อพอ่อเพื่อคนนั้นคนนี้ไอเรานี่ยมันเข้าใจานในาจิตเข้าไปไหนคนนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยสติควบคุมจิตได้อกุศลเข้าไปไม่ไะ้มันต้องไปดี เพราะเรามั่นใจถ้าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยสติมันควบคุมจิตไว้ได้เวลามีสติควบคุมจิตอกุศลมันไม่เข้าไปพอมันไม่เข้าไปจิตมันก็ดีจิตสะาดจิตบริสุทธิ์ในสมาธิก็ยังดีหรือถ้ามีปัญญาเนี่ยมันชำระจิตได้ยิ่งดีดิเพราะฉะนั้นการที่ปฏิบัติจิตเนี่ยมันดีแต่ถ้าหาว่าคนป่วยเนี่ยเขามีธรรมะ ยิ่งหมดหว่วงเลยติตพวกคุณจิตอ่ะยิ่งเป็นภริยาบุคคลปิดประตูอบายทันทีเลย <c oughs> คือจิตที่มันจะปรุงแต่งไว้ในไปในทางอบายที่จะทำให้เกิดอาวายวมันไม่มีจิตมันต้องหมุนอยู่ในธรรมะของพระพุทธเจ้ารู้ว่าเอออะไรที่มันเกิดขึ้นเคแล้วก็ดับไปความคิดของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่ความคิดเป็นนมามธรรมเฉย เม่ได้มีตัวตวนอะไรถ้าไม่มีเหตุการณ์อันนี้ความคิดแบบนี้มันก็ไม่เกิดขึ้ทีนี้ถ้าเราเห็นมันกเห็นมันเกิดดับเห็นมันอยู่ของมันตามธรรมชาติเกิดตามธรรมชาติแต่ถ้าสติเราไม่ดีปัญญาเราไม่พอเนี่ยก็เห็นว่าเป็นเราความคิดก็เป็นเราความเสียใจก็เป็นเราความกังวลก็เป็นเราความว้าวุ่นเป็นเรา เราก็เป็นทุกข์ขึ้นนะความทุกข์ก็เป็นเราจริงๆพวกนี้มันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดตามธรรมชาติ่าเราเห็นมันเิดเกิดแล้วก็ดับเกิดขึ้นตัง้งดับไปนะจิตใจเราก็เข็นแกรใจเราก็มีธรรมะขึ้นมาตัวจิตใจนี้มันละเอียดออนมากนะ เรื่องเจ็บไข้รืป่วยเนี่ยหรือเรื่องตายอะไรเนี่ยโอ้มีเยอะไอ้นคามาถึ ง, งเขาก็มีมนไปเยี่ยมผู้ป่วยในห้องไอซียูใคก็ต้องหาทางช่วยจิตเขาไอ้ร่างกายมันช่วยกันไม่ได้แวะคนนั้นแวะคนนี้และไปหาทางให้จิตเขาเข้มแ็ง พูดก็พูดเพื่อให้เขามีความเข้มแข็งมีกําลังใจที่ต่อสู้วใจมันทูง้งทานใจมันว่างใจไม่สงบพ อ, อ้มันเร็วเนี่ยหรือวคิดไปเรื่องบ้านคิดไปเรื่องเดิมๆซ้ําไปซ้ํามาพูดจากเตียงอยากจะไปจิลโยงระย่างอยู่ดึงออกจะไปว่เดือร้อนพยาบาลเขาก็ต้องมัดติดกับเตียงไว้ รู้สิจิตนี่มันเร็วคุมจิตไม่ถูกปวดรูพุวดนะ่ออไปก็ไปพูดให้เขาสบายใจมีลายเงือาเคยบวชมาทั้งหลายพรรษาแต่เวลาเจ็บป่วยนะีไม่มีประโยชน์เลยที่บวชมาเป็นห่วงเนียเนียก็อยู่บ้านคนเดียวกำลังเป็นอนามาพาดอยู่ เป็นห่วงข้าวของ ม, มีใคอยูแลตัวเองก็เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วด้วยพูดง่ายว่าจะตายอยู่แล้วล่ะเขาก็รู้แล้ว่ะขั้นสุดท้ายแล้วมันจะตายแล้วแต่จิดตัวมาว้าวุ่นอยู่มัวจะไปห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ห่วงข้าวของเร า, าไป อ, อจะพูดยังไงนู้นให้เขาสุกได้พอดีนนก็เออนึกขึ้นมาเคยหวชมาใช่ไหมใช่ครับออ บ่นแล้วไม่ได้เรียนเรือว่าทํายังไงจิตจะสงบอะเคยโท่พุทโธไหมเคยครับเคยก็ท่องสิบริกรรมไว้นะเอเคยบ่นมาแล้วนี่เอามาใช้เลยไปโยนเอาท่องพุทโธพุทโธนะให้จิตอยู่กับพุทโธนะเราป่วยอยู่อยู่ใกล้หมออ่ะดีแล้วเราเป็นอะไรหมอก็ดูแล ถ้าหากว่าเรากลับไปเมียที่ป่วยอยู่เราก็ช่วยไม่ได้ข้าวของอะไรเราก็จัดการไม่ได้เพราะเราป่วยอยู่เราต้องรักษาใจเราไว้เขาก็เข้าใจยอมรับเหตุผลนะแต่คนอื่นพูดเขาไม่เชื่อนะหรือเขาจะพูดหรือไม่พูดก็ไม่รู้เขารู้จักวิธีอธิบายหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เราอธิบายให้บังว่า น, นี่นะร่างกายเราเนี่ยมันป่วยอยู่นะเนี่ยมันแย่แลนะเนี่ย อยู่กับหมอเนี่ยมันดีแล้วหมอก็ได้ดูแลฉีดยาฉีดยาให้ถ้าไปบ้านไม่มีใครดูแลเราไปห่วงเมียใช่เมียก็ป่วยอยู่อเราไปห่วงเขาไปแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้เราก็ดูแลตัวเองไม่ได้เราจะไปดูแลเขาได้ยังไงเหตุผลมันพอเขาก็เออยัดยังนะพอพูดโท้พูดโท้พูดโท้พูดโท้ให้ใหยอมรับนะอยู่กับหมอนี่แหละนะ ถ้ามันดีขึ้นแล้วก็ต่อไปเราพูดโทรให้ก็ออกจากคนนี้นไปไปหาคนหนึ่งเป็นโลกเอที่นี่โอ้ดูจิตใจเขาเนี่ยมันเศร้าหมองนะเวลาเรือถึงกรรมไม่ดีของตัวเองที่เคยทำมาไปถึงก็สงสารอุทิศบุญให้อะไรให้เอาโ่มมีนนะวันนี้พระมาเยี่ยมนะ เป็นบุญขขงโยมนะผูปใจไหมดีใจไหมโอ้ยย ก, ยกมือขึ้นหน้าตาก็มีสีสันขึ้นมาผู้คนเราเนี่ยบุญมันเกิดเนี่ยนะรวยอยู่เป็นยังไงก็ช่างถึงเวลาก็มีพระไปเย็ยนไปเยียนให้กำลังใจเอาโยมอธิษฐานจิต น, นะนีย่ยเกิดชาติใดก็ตามขอยในพพพระพุทธศาสนานะั้นมีพระพุทธธรรมสงสิี่พึงนะคือให้เขาลบล้งอดีตให้เามองไปถึงอนาคตที่ดี แห้เขามีหลักมีที่พึ่งเราคิดอย่างนั้นเราก็บอกเขาไปแล้วเมื่อพบแล้วให้มีศรานะให้เปลี่ยนแปลง น, นะไอไอชาตินี้ช่างมันนะแล้วแล้วไปนะแต่ว่าต่อไปเนี่ยแล้วปารธนาพบพระพุทธเจ้านะให้ตั้งใจอย่างนี้นะเอาไม่เอาไหมโอ้ดีใจยกมือขึ้นเอธิษฐานจิตชาติใดก็ตามคอยไ้พบพระพุทธเจ้านะได้พบพระพุทธทศาสนา เล็วก็ให้มีศรัาไม่เปลี่ยนแปลงมันก็มั่นคงีริงๆอย่างน้อยจิตใจมันหวังล่ะมีความหวังละโอ้ให้เรามีพรพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่เนี่ยชาวพุทธมันเป็นอย่างนี้นะพอพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาป่วยๆอยู่มีแต่อะไรกุ้มลงอยู่มันเบิกบานขึ้นมามันสดชื่นขึ้นมามันมีพลังขึ้นมานี่แหละคืออานุภาพของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ คนที่ไม่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมันเงานะต่เรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็เลื่องนั้นเ่งนี้จบอย่างดีอย่าว่าแต่มนุษย์เลยผีเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็่มันก็รับบุญไม่ได้พยายามที่จะรับบุญมันรับไม่ได้เยอะแยะไอ้พวกผีนี่แหละเนี่ยอย่ว่าแต่มนุษย์อย่าว่าแต่พวกวิทยาอะไรต่างๆต้องมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง อนุภาพของพุทธธรรมปสงค์ก็ม า, มาไม่ได้คอยพระธรอย่างนั้นก็เออคอยอะไระพึตงปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิยย่ขึ้นไปนะเพา่อให้ได้พบพานธุ์เจ้าผูปล่อยเขาเข้าใจป่อยเ็มีที่พึ่งตอนสุดท้าย น, นี้ว่าให้มีปัญ ญ, ญรร า, ารู้แจ้งแทงตลอดในพระสธรรมคำสอนของเจ้าจนพ้นจะทุกเนอจากทุกส แต่พอเราลึกได้เราพูดอย่างเนี้ยทํานองเนี้เออเขาก็เบิกบานตามีแววเจีมใสสดชื่อให้จําไว้นะให้พัถนานี่แหละพระพุทธบาทธรรนพิพิธะอยู่ที่เองเรพุทโธพุทโธไว้นะแลวก็เป็นชื่อของพระพุทธเจ้านะผูกศรัทธาไปหาคนใหม่อีกแล้วหลายคนมีนะ คนนั้นคนนี้ไอที่ลนยที่หนักๆนั่นแหละถ้าคนไหนมีปัญญารับได้เราก็บอกเลยพอพุทธยาก็ป่วยเหมือนกันเนี่ยเวลาท่านป่วยท่านเข้มแข็งพอท่านแยกด่าระหว่างกายกับจิตท่านเราเจาจปกมสอนสาวกของพระองค์ขอยกคําคพูดนี้ให้เข้มแข็งเนี่ยคนที่เขารับได้ก็มี คนที่มีปัญญาเข้าใจเดี๋ยวมันก็ไปตามลำดับจิตของผู้รับแล้วก็ไม่ไรู้จะทำยังไงก็ให้เราเตรียมดับอะไรเขาทาบุญอยู่ที่บุญคนไหนมีญาติญาติเขาก็เตรียมทำให้คนไม่มีอะไรเราก็ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนพอเราไปอนุเคราะห์ทำบุญตามกําลังของเขาแต่เขามีที่พึ้นทางทจิตใจ เ, เวลามันทับขันอ่ะเวลาเราเจ็บไข้เด็กป่วยก็ตามนีญาติเราเจ็บไข้เด็กป่วยก็ตามถ้าเราเข้าใจเราก็ต้องยกจิตเราขึ้นมาทําความเข้าใจเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆว่าพิธีเป็นโอกาสแทนนี่จะปล่อยใจให้เส้าหมอทุกระทมไปกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่มันเป็นไปแล้วเนี่ย เราเปลี่ยนทันทีเลยเอาประโยชน์เอาประโยชน์อยู่นะผอนแอมันไม่ได้ผ่อนแอก็ไม่มีอะไรดีขึ้ต้องเข้มแข็งเท่านั้นเราจึงได้ไปแล้วจิตที่เข้มแข็งเนี่ยมันก็เปจิตที่เป็นบุญเพราะเราอาศัยธรรมขององค์พระเจ้าจิตเราเข้มแข็งยิ่งที่บุญไปก็มีพลังมีกําลังแล้ะยิ่งเรามาเออหาครูบาอาจารย์หาพระที่ท่านปฏิบัติตามคําสอนขององค์พระเจ้าพลังบุญก็เพิ่ขึ้น ก็ช่วยกันเป็นพลัง ก, ก็ยิ่งดีเมื่อเราทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเราก็พอก็เพียงสร้างเหตุหยู่จะก็บอกแล้วทำดีที่สุดแล้วผลเป็นยังไงก็แล้วแต่สภาวะธรรมแล้วแต่เหตุปัจจัยเราวางท่าทีถูกต้องแล้วใจเราก็พอมีทำเป็นได้ก็ได้ นี่เราจึงเห็นอานิสงของพระพุทธธรรมประสูงนะจึงว่าคนที่มีพระพุทธธรรมประสงจะพึ่งนะโอ้เวลาขับขันเนี่ยแค่ละว่าจะพึ่งพระพุทธธรรมประสงหรือขอยได้พบพระพุทธธรรมประสงทุกภพทุกชาติต่อไปเนี่ยแค่นี้เขาก็มีกําลังใจแล้วพอปีสบายก็ไปป่วยแล้วไปเยี่ยมก็เห็นเขาไหวไหมแบบนี่นะ เตาไปดำค้ำไว้เราก็หาทางที่ธรรมินทร์นี้มันจิมมีกาลังด้วเนาะอเอาไปไปให้เจบาทอยู่ให้เขาทำบุญเพราะเขายังพอจะทำบุญได้ทำบุญแล้วจิ่บุญเรียบร้อยแล้วอธิฐานจิตอให้มีที่พึ่งมีความหวังเกิจชาติใก็ตามไม่ได้พบควาพุทธะธรรมพระสงฆ์ โอ้มันก็หน้าตา ม, มก็สดชื่นได้มาแล้วนะไม่ว้าวเลเหมือนมีทีุ่มอยู่ในใจทึกทุกอนุภา พ, พอบพูปะธรรมว่าสมันมีอยู่จริงสันที่สองมีโอกาเลงไปคือกลัวเขาจาไม่ได้เพิ่มทีละข้อทีละข้อคนแก่แล้วที่บุญแล้ว เ, าเา้าพบมแล้วมีความศรัทธาเริ่มสายไม่เปลี่ยนแปลง ให้มันคงสีหน้าก็สดชื่นขึ้นมาพฤติกรรมมันก็เปลี่ยนแปลงไปแทนที่จะเป็นภาระแท่คนอื่นแทนจะเพอ้อไปอันนั้นอันนี้ก็สติก็เริ่มดีขึ้นมาแต่เาก็ค อ, ใ อ, อ, อยใกพระอุทยเจ้าคืออยากให้เน่ใจว่าเออําสอนอย่างนัง้นตัวตัวแบบหลักธรรมองเจ้าคำว่าพออระยาเจ้า เราก็หมายถึงว่าเออตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมานั่นแหละพุทธิบรรลุธรรมปฏิบัติตามความสอนของหลวงเจ้าแล้วก็มรรลุธรรมบรรู้มรรคบรรลุผลพอจะเป็นพิพิธได้แล้วให้ได้ปฏิบัติตามความสอนงเจ้าให้มีนิ่งขึ้นไปเออนี่พอใจขึ้นมาเอาเรื่องสอนให้พยายามภาวนาเอาเอาถนัดที่ท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธไว้สีนี่นะมีลาสีขึ้นมาเลย เห็นชัดเจนเนี่ยเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยชัดเจนเราไปโอ้พนมมือพวัวหัวเลยบางทีผู้ธรรมะรู้่าฟังไม่ได้นั่งนอนฟังพนมมือฟังเราให้พรพน ม, มอบอกถึงว่าสถาเต็งหัวใจแันนั้นก็เอออาจารยใ ด, ดก็ตามขอให้เป็นผู้มีสติปัญญา มุ้งเจงเพียงตลอดในวัสฏธรรม์าสอนองค์เจ้าถึงคเจ็บทุกในวัฏฏสงสารอันนี้มันเป็นต้าหมายเดียวพุทธเจา้าเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเหมือนเราก็ให้ตั้งความปรารถนาเอาไว้เพื่อให้มันมีพลังเดินตามทางของพริธเจา้าไปเรื่อยจนกว่าเหตุปัจจัยถึงพร้อมมันต้องถึงเพราะคนเราเนี่ยมันจะไม่ยอมทุกอยู่ตลอดมีทุกข์อยู่เมื่อไหรสุดท้ายมันต้องหงาทางที่จะดับทุกข์ มืนกเราเนี่ยมันก็เห็นเราชีวิตมันเป็นทุกข์ขนาดไหนทำให้ได้ปฏิบัติธรรมมัทุกข์มันก็กุ้มดุมมีน้ำหนักติด ต, ต่อใจเรากดทับจิตใจบีบพั้นจิตใจรึงกับเกาวนไปเวียนมาซ้ํากอยากทิ้งก็ทิ้งไม่ได้เดี๋ยวเราออกก็ออกไม่ได้เพราะไม่มีกําลังใจพอไม่มีกำลังทําที่จะเอามันออก พอปฏิวัติไปเอออนไรที่มันรู้เข้าใจแล้วอย่างความคิดเนี่ยมันเป็นนามาทำอ่ะมันคิดแล้วก็ดับได้คิดแล้วก็ดับดันก็เห็นเนี่ยแค่เราเออมีสติดูมันรู้มันก็ค่อยๆละงับไปร่างกายเนี่ยถึงเรายังวางไม่ได้เราก็เอาความจริงมาประกาศให้จิตเราเนี่ยรู้ไอ้ร่างกายเนี่ยเหมือนคนป่วยอย่างเนี้ยถ้าเขาตายไปเนี่ยมันต้อง พอที่มันไปจิตยังตายไม่เป็นนี่มันต้องไปเกิดเนี่ยแทนที่เราจะไปนึกถึงความตายเรานึกถึงการเกิดของเขาทำไงเขาเกิดดีทำไงเขาไปดีมันก็ทํำสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาเก็ถูกต้องแล้วเกิดนั้นมันก็ทําไม่ได้แต่เพื่อนปฏิหารมันก็งมงายพระเจ้าก็ไม่ได้สอนให้เพื่อนแบบนั้นแต่ไปอ้อนวอนให้อย่างนั้นอย่างนี้พระเจ้าก็ไม่สอน่ ก็เอาเท่าที่ผู้เจ้าสอนนั่นแหละทั้งตรงทางของวุฒิธรรมทำบุญที่ชินไม่ไปเวลาป่วยก็ไม่เศร้าสลดเสียใจไม่ให้ใครกังวลให้ทาใจเข้มแข็งคือถ้าตัวเองอ่อนแอเดี๋ยวคนป่วยอ่อนแอด้วยยิ่งกระแสจิตมันก็ถึงกันได้ความผูกพันมันมีอบางที่ไม่ตั้งใจมันก็ทําให้อ่อนแอได้ก็ไม่ต้องให้มีความอ่อนแอตายก็เหมือนกันไม่ได้ คนป่ยวยอ่ถ้าใครไม่สบายใจกลัวเรื่องทุกข์ใจไม่สบายใจไม่ต้องเข้าไปเยี่ยมเราบอกให้อยู่เงาอยู่เ อ, อกทําใจได้แล้วก็เข้าไประมัดระวังขนาดนั้นทีนี่เราเออขอเอินว่าทุกคนพยายามทําใจมันต้องฝืนในความรู้สึ ก, ก น, นี้ค่อยตามมานื้อมันจะเศร้าหมองเลยอ้อยอิง โหดิ่หนักนะฝุ่นเลยฝุ่นไม่ต้องมันไม่ใช่เรกไม่ใช่พวกเราเกิดต้องอยากเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบนี้มันเป็นธรรมขึ้นมาถ้าเราทําใจได้ถ้าเราทํ า, าทใจไม่ได้อ้อยอิง อ, อ้อยสร้อยไปกัมันเหมือ น, นกับว่าพอใจที่จะเศร้าซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าพอใจให้ปล่อยใจให้อ้อยอิง อ, อ้อยสร้อยนันจะ่เคยมีความสุขที่จะคิดอย่างนั้นที่จะทำอย่างนั้น ิดไม่ถูกก้าวใช้ไม่ไดักทำตัวเองไม่อ่อนแอเป็นคนยุบเป็นคนหลงไม่มีบัญญาพ้ดไม่ไดักคองคิดแข็งเชื่อพระพุทธเจา้าเอาประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองโอ้โหจิตมันเปลี่ยนดีดเลยนะเอาไปัเทศกขาที่นี้เขาหนีคนมาหานทุกเมื่อ แล้วก็พอใจที่จะค้อยซอ้อยอี๋อย่างนี้เราบอกไม่ละต้องฝืนให้ได้ถ้าฝืนไม่ได้ต้องทุกตลอดไปเขาบอกจะพยายามเออได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องพยายามฝืนมีคนหนึ่งถูก เ, เลืออเฉียวเลือดอะไรมเทาก็ไม่รื่องเลืเฉียวอ้าขาหักยัเราไม่มีใครเมาเถิดมาหานะช่วยตัวเองไม่ได้ ผมความถึงเศร้าเนี่ยความเศร้าใจเนี่ยจะตัดมันดีหรือว่าจะดูมันเฉยๆนี่แสดงว่าเขาพอที่จะมีกำลังพอได้เห็นเราว่าถ้าตัดได้ตัดเลยนะถ้าตัดไม่ได้ค่อยดูเฉยๆมันไม่ใช่เราไม่ต้องให้มันเข้ามาตัวพอลุกขึ้นมาหน้าตาเปลี่ยนเลยนยะสดชื่นเอาไปยังไงตัดแล้วพอรู้วิธีก็คือไม่เอา มันไม่ใช่ของเราเนีอารมณ์ต่างๆเหล่าเนี้นี่แหละพระเจ้าไวยละความยินดีจีร้ายก็คือละอารมณ์พวกนี้แหละเห็นว่าเมื่เคืนแล้วก็ดับเห็นว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่เราจิตก็เป็นเบิกขาอยู่จิตก็เป็นตาลางๆงเนี่ยนะความเป็นกางกลางมันเริ่มเป็นธรรมะแล้วเริ่มเป็นสมาธิธรมรมสติธรม ร, ร, ธรมวิญญาณธรรมศรัทธาธรรมเป็นธรรมบุ ปัญญาธรรมเรื่องห็นความจริงเราอยู่ที่นี่ก็มีคนมานิมนต์ไปเยี่ยมคนป่วยเป็นมะเร็งเหมือนกันคงสุดท้ายแล้วละ่ะหมอก็เอาไม่อยู่แล้วญาติพี่น้องแต่ที่สําคัญคือบรรยากาศมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะโอ้เข้าไปแล้วมันซึมเศร้าไปหมดหน้าดําไปหมดเลยนะทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งญาติที่มาดูแลดูที่เหมือนอึมครึมก็ไปหมดนะ ก็รู้แล้วเนี้ยจิตผู้ป่วยมันเศร้าหมองมันถูกครอบงำที่พวกประมาณบางพวกนายเวรอะไรอย่างเงี้ยกำลังไม่พอเราก็ลุกลามเป็นงญาติพี่น้องคอยไปด้วยกันหมเพราะนั้นในนี้เราจึงเน้นทำต้องเอาทำต้องยกทำขึ้นมาแต่มันมีอาการที่มันผิดจากธรรมหรอมันไว้ขึ้นมาในจิตน่าต้องปรับไม่ใช่สอบออกนอกไม่ต้องไปโทษคนนั้นคนนี้ มันเป็นจิตของเราเองบางทีกระแสจิตของเราเนี่ยมันไม่พอใจอะไรขึ้นมาเอกรวกเจ้ากรามนายเวรบ้างพวกประมาณบ้างมันสวมลอยกันดีเลยนะต้องไม่ได่าต้องปรับที่จิตเราไม่ยินดีไม่ดีอะไรเอาหลักฐานของเจ้ามาเป็นกลางๆไว้ไม่ต้องให้มันส่งไปหาการมึงพอเข้าไปเราก็ไปจับมือเลยดูตรงหาทางให้จิตเขา เบิกบานมาเขาก็ไม่รู้ไม่ชี้เราจับมือเนี่ยพระมาเยี่ยมนะย้ำพระมาเยี่ยมนะค่อยค่ลุกตาแต่ยังไม่ค่อรับรู้อะไรท่าไหร่เนี่มีบุญนะพระถึงมาเยี่ยมเห็นไหมเนี่ยโอ้พระอุตส่าห์มาเยี่ยมถึงโรงพยาบาลเลยนะเนี่ยนีม่มาไกลนะมือเกค่อยค่อยค่อยคอยยกมือพนมนะทีนี้เนี่ย ีเป็นบุญนะเนี่ยต้องเรียกกำลังใจกับขึ้นมาเาจ๋รย์ก็สอนเหมือนกันนี่แหละเอายกพระพุทธเจ้าขึ้นมาผู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเทไปได้ระดับหนึ่งโอหน้าตาเบิกบานพอดีเนะเขาเคยปฏิบัติธรรมมาแต่ช่วงนั้นนะมันโดนกุ้งดุพอธรรมะมันแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปแทรกเข้าไป ทีนี้มันรับธรรมแล้วนี่เ บ, บเิกบานเลยเทพอียกมือขึ้นเข้าใจแล้วครับพวกหมอพวกพยาบาลก็เปลี่ยนแปลงไปกระแสมันเปลี่ยนไปแล้วเป็นกระแสธรรมผู้รยการไปดูเลยนี่ต้องพึ่งธรรมะทั้งผู้ป่วยแล้วกู ด, ดูแล ต้องใช้หลักธรรมคาสอนของพระโอเคเช้าเป็นที่ตื้นสมกับที่พระเจ้าสอนเธอจงมีธรรมเป็นปฏิปิเธอจงมีรธรรมเป็นสาระเธออย่ามีอย่างอื่นเป็นสนานาเลยดูสิมันลึกซึ้งนะั้นเพราะท่านตากำมาจากพระไทยที่บริสุทธิ์ของพระองค์จากหัวใจง่ายและพูดเป็นความจริงด้วยก็ บางคนฟังมันถึงใจมัเอาดิเอ้ยินเนียบางคนฟังหูซ้ายก็ดูหูขวามันก็ไม่ได้ห๋ือมันยิงอยู่ที่ผู้ฟังเนี่ยาโมองยิ่งแง่หนืองว่าโอ้ธรรมะกําลังจะสอนเราแล้วนะร่างกายมันไม่ใช่ของเราแน่ๆดูร่างกายของคนอื่นก่อนก็ได้อย่างที่ว่าโยี่ชายมาตายที่นี่ ยกคืนเผาเรียบร้อยเราเห็นคนนี้เข้ามาหาปุ๋ยยังอยู่เอาช่วยไปทําร่องเรารอ่ต้นโพให้หน่อยเพราะคนี้พอมันไมหมหมดแล้วเราจะเอามาทําปุ๋ยมันไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วมันเป็นเท่าฐานแล้วมันเป็นปุ๋ยมีประโยชน์สําหรับต้นไม้จิบเข้าไปเราจะมากรงหวนสนใจอะไรกับเท่าฐานสร้ากศพร่างกายเราก็ทําให้เรียบร้อยให้เร็ที่สุด ไม่ต้องมาเป็นกังวลเหมือ น, นอุปทานเยอะนะโอ้ทาเพื่อพ่อทําเพื่อแฟนทําให้ดีเอาอย่างนั้นเราก็ดูนะเราก็เดินถึงคลมดูมาเวลาเขาเก็บกระดูกเก็บอะไรโอ้ยบันจงนะบันจงเก็บไอเราเห็นเป็นข้าถารไปหมดแล้ว เ, เห็นเป็นปุ๋ยแนละ้วแต่เขายังเห็นว่าเป็นพ่อเป็น สามีเป็นพี่เป็นน้องอยู่ทำปานนีบ้บรรจงยากจิบสักเส้นอนึ่งก็ดึง อ, อ่อุ้ยเราเนี่ยรวมไปเลยมัน ป, ป, ปุ๋ยนะในใจเราแต่เราไม่พูดเราดูแล้วเป็นธรรมโอ้ปุปท า, านเนี่ยมันหนาแน่ น, นขนาดว่าเบาบางเลยนะเราสอนเต็มที่แล้วเวลาถึงเหตุการณ์จริงๆเี่ยมันก็บอกให้รู้ว่ายังมีอุปท า, านอยู่นะ ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพราะว่าคนเรามันก็ยังยึดอยู่มันยังปล่อยวางไม่ได้ถึงความจริงมันจะแสดงว่าเออจากคนอยู่ดีๆเป็นศพจากศพแล้วเป็นเท่าเป็นฐานจากนั้นก็จะเป็นปุ๋ยของต้นไม้ก็ยังเอาพิถีพิถันกับอไอ้เท่าฐานอันนั้นไม่อยากให้ยากไปติดไปคล้องเราอยากให้ขนมาแล้วลอยๆเขาก็ต้องแยกกระดูกออกมาเออวางไว้คิดนี้นะ สิ่งบางที่มันก็จะเป็นยินต่อไปอ่ะก็ยังว่าเออจำไว้วันอยู่ที่นี้นะขุดลงไปหน่อยกบกบหน่อยคือทําให้มันพิเศษออกไปมันแตกต่างจากความรู้สึกของเราอ๋อเอายังไงไปได้เอามาปล่อยเอออะไรก็เป็นปุ่มนี้มันก็จบแค่นี้แต่ที่ยังยึดอยู่อ่ะมันก็ยังมีอาการยึดให้เห็นพอมาโรยรอบๆแล้วเขาก็ถามอีกนะต้องถามเรานะว่าเอาทำยังไงอีกอ่ะ เอาดินโกบก็คือไม่ให้มันเหลือไม่ให้มันเห็นให้มันสลายไปให้มันสูญไปให้หมดไปเสียให้ภารนะตรงนี้เข า, า ก, ก, ก, ก, ก, ก็โกบโกบมีฟางมีอะไรก็เอากบเข้าไปเอาน้ามาลดต่อไปถ้านึกถึ ง, ถงก็มาดูต้นโพนี่แล้วกันเผมพูดให้กําลังใจเนะี่ยว่าเออต้นโพนี่มาจากอินเดียนะเข า, เาพิเพราะคนอื่นเพราะไม่ขึ้นแต่คนนี้เขาปฏิบัติธรรมเขาอีกานจิตวันนี้เขาอยากได้ต้นโพไปไว้วัดเนี่ย แต่ต้นโพลูกก็งอกขึ้นมาเขาก็มาให้เราสองต้นตอนที่ทําในเห็นมันอยู่ต้นเดียวก็เลยเอามาติดปุ๋ยตอนนี้ต้นโพลูกต้องงานโปรดรีดปุ๋ยเป็นประโยชน์เห็ต้นโพอย่างน้อยนก็เป็นกุศล ส, สำหรับผู้มาดูว่าเออมันเป็นที่ตัดสรุ ข, ของพระพุทธเจ้ามาจากประเทศอินเดียแล้วก็เป็นบุญ ข, ของเขาไม่นใช่ต้นไม้แต่เป็นต้นโพ มาจากอินเดียนะมันก็ไปอย่างนี้แหละครูที่มาดูก็โอ้เดีมาดูต้นโพด้วยแล้วลูกถึงพระเจ้าเป็นครูสอนอีนอนเข้ามากัได้ร่างกายคนอื่นเขเผาไฟเหมือนกันร่างกายเราเขเผาไฟเหมือนกันสุดท้ายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรอกก็มันเท่าถานจริงๆเถียงก็ไม่ได้ปฏิเสธก็ไม่ได้มันต้องเต็มจริงอย่างนั้น นี่ความจริงเนี่ยมันไม่รู้จะว่าอย่างไงนะทําไมจิตเรามันไม่ยอมรับอ่ะจิตของเราทําไมมันจริงไม่ยอมรับแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ของเราเห็นชัดเจนมีหลักฐานพยานเรียบร้อยเลยแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นเลยหรือยังไงถ้าไม่เผาไฟก็ต้องไปทิ้งอย่างหนึ่งมันต้องทิ้งไปอันนีจิตนี้มันต้องจากไปถ้าเป็นที่เบีรคก็เป็นแรก ไปสับไปให้แรลงกินเนี่ยเขาว่าให้ทานเขาสุดท้ายเขาว่าทำไปทําความเชื่อของเขาอย่างนั้นเขาก็มายึดฉับสดถึงเวทนาเอานั่งไปมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนยังไม่เกิดตอนนี้มันเกิดมันก็เกิดเพราะอะไรอ่ะความยิ่งกลมีการไปในร่างกายเราเลือนตรงนี้ไม่สะดวกเรานั่งท่าเดิมา น, นานแล้วว่าอีเหยา บ, บทมันปิด บ, บงัง ทุบเอาไว้มันเป็นอย่างนี้ถ้าว่าธรรมดาเราก็เปลี่ยนแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนนะเออมันปวดมาใหเห็นนะจะเป็นเรื่องของร่างกายจิตเนี่ยเป็นผู้ดูจิตเป็นผู้ดูแต่ถ้าหาว่าไ อ, อ้จิตเรายังไม่มีกําลังเพียงพอเวลามันปวดจิตมันก็วิ่งไปไปดูซะก่อนไปดูด้วยอำนาจที่อุปท า, านในเวทนามันนี้คือกําลังสติปัญญามันไม่พอไม่ถึงผูวิ่งไปเกอะไปยึดซะก่อน มันก็เป็นเราจิตเราปวดขึ้นมาถ้าเราอดทนจิตมันยิ่งกำลังก็รู้ขึ้นมาเอาเวทนาเป็นเรื่องของร่างกายจิตเป็นผู้ดูเนี่ยมันก็แยกกันออกได้มันก็มีปัญญาเพิ่มขึ้นแต่กาลังยังมากพอมันไม่อยู่ที่จิตเลยเวทนาอย่างไงมันก็ต้องอยู่ที่ร่างกายวันยันค่ำเวทนาต้องไม่ใช่จิตแน่นอนจิตต้องเป็นจิตเนี่ยมันก็วางได้ เวทนาก็สัาเวทนาเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปบางทีมันดับไปบางทีมันไม่ดับแต่จิตไม่สนใจคือดับไปจากจิตจิตไม่ไหลไปอยู่เกี่ยวกับเวทนาอยู่รัอุปาทานจากเวทนาตรงนั้นก่อนบางที่มันจะลับเวทนาได้ทั้งหมดแต่มันก็ต้องฝึกกันอย่างนี้จบให้เห็นต่อหน้าต่อตาดีเลยเวทนามันอยู่ส่วนเวทนาจิตอยู่ส่วนจิต ความรู้สึกมันก็เหมือนเวทนาไม่ใช่ของเราขึ้นมาพอมันแยกออกมาแล้วเรามืนกับกลายเป็นผู้ดูไปอันนั้นไม่นสิ่งถูกดูเหมือนมันอยู่ข้างมันอย่างนั้นมีจิตมีกําลังมันต้องเต็มขึ้นมาสัญญาสังขารก็มาทํากันเนี่ยมันก็เกิดดับไปปรุงอะไรขึ้นมาให้สติปัญญาที่มีกําลังก็เห็นนะมันไม่ยึดแล้วเกิดดับถ้ามันยังไม่ดับก็ดูไปก่อน อยู้วก็ดับไปเนี่ยมันเห็นความเกิดดับอย่างนี้ในขณะที่ไม่เห็นความเกิดดับมันจริงมันไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้ายังไม่เห็นเราเข้าใจความจริงอย่างนี้มันวางได้ใจเรามันก็เป็นสมาธิได้สงบปัญญาเข้าไปอบรมจิตไปช่วยทำให้จิตเนี่ยมันเข้าใจแล้วมันก็วางก็งมันได้มันก็ช่วยทาให้จิตเนี่ย เป็นสมาธิขึ้นมาสงบขึ้นมาถ้ากำลังจิตมันมากพ อ, อแล้วปัญญาเนี่ยมันมันมั่นคงจริงๆบางทีมันก็ละได้เหมือนฟังธรรมของพระพุทเจ้าพระพุทเจ้าก็กแสดงธรรมความจริงทีนี้จิตของผู้ที่ฝึกฝนอบรมมานานเนี่ยสร้างสมอบรมมานานพอได้ฟังธรรมของเจา้าจิตรู้ความจริงเธอมันเข้าถึงความจริงได้ มันปล่อยวางการความจริงมันรู้มรรคมันรู้าล น, นะมั น, น, น, นะนมะะะแบบพรูพ้มีพพ า, า, พานั้นอระ ซึ่งเป็นผู้ใกลากิเลสสมมาสามพุทธสากระสชอบไโดยพระองค์เอง